การเลนะธรรมะซากัชชาเอตัมมังคารมุตตมันตี <c oughs> การ ใ, กาใดก็ตามเวลาใดก็ตามที่เราฟังทรรมที่เราประรบธรรมสู่กันฟังเป็นอุดมมงคลเป็นเหตุให้เกิดความเจริญ ใครเจริญธรรมเจริญคนที่มีความรักในธรรมธรรมกาโมผวังโหติเป็นผู้เจริญผู้รักในธรรมเป็นผู้เจริญจิตใจเจริญธรรมเดชีปราพวผู้ชังธรรม เป็นคนเสื่อมใจเสื่อมจากธรรมเรื่องของธรรมเป็นเรื่องที่เราต้องดึงต้องฉุดต้องลากเมื่อต่างอะไรกับเราเข็นครอกขึ้นเขาทางมันอย่างอียงอย่างลันลาเนี่ยเขามันกลมกลมตราบใดที่เราปรารบทธรรมตั้งใจจะปฏิบัติธรรมเมือ่อเราพยายามกลิ้งครอกขึ้นเขาต้องใช้แรงตลอด เข็นไปเข็นไปขึ้นไปเหมื่อยหยุดรั้งอยู่กับที่อยู่กับที่ก็ต้องรั้งไว้นะต้องปล่อยมันเลยมันไหลมาทับเรานะสุดหายไปเลย <c oughs> เรื่องของธรรมะเนี่ยเราสังสมอบรมถ้าจะว่ายากก็ายากแต่ว่ามันเวลามันเสื่อมมันเสียมันสลายมันง่ายง่ายการดูแลรักษาไม่ดี ทำไงเราจะทำได้เจริญมั่นคงต่อเนื่องพระอาจารย์ท่านจึงให้เราทำไม่ปล่อยไม่วางทำให้มากเจริญให้มากทำให้มากเจริญให้มากหลักที่แน่นอนมั่นคงที่สุดที่สดับจะมารับประกันงานนี้คือหลักมหาจิตหลักมหาสิปทาเนี่ยแหละ องไหนพูดกมหาสติปทานองไหนพูดกมหาสติปทานแท้ที่จริงธรรมะทุกบททุกบาททีทท่เราศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์เกล่ำลงในหลักมหาสติปัฐานทั้งนั้นพระหลักสติปทานเนี่ยเป็นสติที่ชอบก็เป็นสมาธิก็เป็นสมาธิที่ชอบ จะเป็นการตั้งใจก็ตั้งใจที่ชอบการพยายามเพื่อตั้งสติเพื่อสมาธิการพยายามเพื่อตั้งสติเพื่อสมา ธ, ายายามมาธิมันประกอบกันนะสมมาวายาโมสมมาสติสมมาสมาธิมันจะเป็นองค์เดียวกันคือสมาธิ งานที่เราควรทำเป็นประจําก็คือสังวรสัมมาวายามโมสังวรสังวรงานปฏิบัติทุกอย่างสมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามต้องสังวรใครไม่สังวรไม่สัมรมไม่สังวรจะไม่เชื่อว่าปฏิบัติธรรม เราอยู่นีท่าทีไหนก็ตามที่เราสังวรสังวรในใจไม่ใช่สําเรวมนแต่กายนะใจล็อกแล็กล็อกเล็กเลี่ยนรนอยู่ข้างในไม่ใช่ยอดของการสํารวงคือสํารวมใจสติสังวรสมาธิสังวรปัญญาสังวรมันก็เป็นอันเดียวกันวิริยะสังวรสติไอขันติสังวรเนี่ยการปฏิบัติทุกอย่างทุกเรื่องต้องสังวร สังวรคือระวังการระวังต้องบังคับนะเหมือนอย่างพยายเราพยายามพูดเรื่องระเบียบอะไรต่ออะไรทุกอย่างเลยต้องระวังดูเป็นหนึ่งเหมนเป็นการบังคับการระมัดระวังทุกอย่างต้องเป็นการบังคับเพราะฉะนั้นเราจะเจริญสมาธิเราก็ต้องระวัง สมาธิบังคับไม่ได้สมาธิบังคับไม่ได้ธรรมะบังคับไม่ได้ธรรมะบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ในส่วนผลฟังเอาไว้เข้าใจเอาไว้ส่วนที่เป็นเหตุท่านจะต้องบังคับถ้าท่านไม่บังคับเนี่ยกิเลสมันไม่ปล่อยให้ท่านดอกกิเลสมันจะยึดเป็นเมืองครองข้างมันแหละเพราะยัสังวรนี่ยมันเป็นการบังคับนะเขาสังวรปั๊บนู่นนี่อะไรต่วอะไรก็ทิ้งหมด สัง b รกลุ่มเสียแความสัง b o n ที่สําคัญที่สุดคือใจสัง b o n สติสัง bond สำรวมที่ใจปกติโดยการสํารวมธรรมดาธรรมดามันอย่างเราสํารวมกายเราก็เดินสํารวมสํารวมไม่ตีนบอนไม่มือบอนไม่เหยียบนุ่นไม่ีหยิบนี่ไม่ควนนุ่นขีดนี้อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าสัง b o n กายฉะวนไฟจาก็พูดแต่คําที่เป็นคําสุภาพนุ่มนวลอ่อนหวาน นี่ก็คือสังวรสวรกายแต่ก็มาจากสังวรใจเพราใจเป็นหลักเป็นผู้ทานเพราะฉะนั้นเราเอาที่เดียวจุดเดียวสัมเพรที่ใจจบจบเลยมีสติกํากับอยู่ที่ใจมีสัมภาชนญะกํากับอยู่ที่ใจสัมสังวรรวมอยู่ที่ใจสังวร อ, อยู่ที่ใจตัวสติตัวสัมภชัญญะมันอยู่กับใจมันก็เป็นเมื่อเดียวกันมันก็เป็นอันเดียวกัน ว่าสติเป็นจิตหรือจะว่าจิตเป็นสติหรือจะว่าจิ ต, เ ป, ตจเป็นสัมปชัญญะหรือจะว่าสัมปชัญญะเป็นจิตของมันเป็นกิริยาที่เกิดสืบเนื่องจากกันและกันเหมือนเสียงที่มันขยายขึ้นมันเกิดขึ้นจากการสืบเนื่องอไปจากกันและกันนี่เองมันจะไปขยายได้มันจะต้องออกอย่างนี้ไปมันถึงจะไปขยายไปโู้นได้มันเกี่ยวเนื่องกัน Thursday, ทั้งหมดการสังวรของเราก็เช่นเดียวกัน สํมผัสรวมรรคายสัมโาจามันก็มาจากสํารวมใจภาคทฤษฎีภาคปริยัตจะเป็นภาคตัวอย่างจะเป็นภาคอุ ป, ปมาอุปไมยจะเป็นภาคเล่านิทานโน่นนี่อะไรต่ออะไรสารพัดเป็นเครื่องกล่อมกลาเป็นเครื่องชักจูงเป็นเครื่องน้อมนำปรับปรุงจิตใจของเราให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาปลื้มปีติยินดี เพื่อมาทํางานที่ที่หนักหนักมากกว่านั้นสิ่งวันนี้ก็ทิ้งการสํา ร, ระธรรมะไวงไม่ได้ใจของเราของท่านเนี่ยกิริยาของกิเลสที่มันจะพึงแสดงออกมารุ่ปคลุมไปหมดเลยกิเลสมันพร้อมที่จะเกิดทางตาก็ได้ทางหูทางจมกูกทางเลี้ยทางกายทางใจแล้วแต่อะไรจะมาสัมผัส มันเกิดเพราะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นเลี้ยนเล้เพราะใจนอมม้อมนึกอารมณ์เป็นเหตุให้เกิดกิเลกก็ได้ทีทีกว่ า, าตาเห็นรูปเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเวทนาเป็นตัวผลแสดงให้เป็นที่ปรากฏชัดว่าดีหรือไม่ดีไอ้ที่เราเห็นน่ถ้าเราไม่สำรวมระมัดระวังเห็นโอ้ดียึดขมายึดขมาเนี่ย มันต้องใช้ปฏิบัติต้องระวังตรงนี้ให้ได้ถ้าเราไม่มีสติสัมรวมอยู่ในใจเห็นภาบโอด้ดีชอบใจมายึดเข้ามายึดเข้ามาถึงขีดถึงขั้นต้องการต้องสอบต้องแสวงหาต้องการให้ได้วิธีใดก็ตามที่จะเอาที่จะเอาให้ได้ถ้าไปเจอสิ่งไม่ดีก็ไม่ต้องการก็ผลักออกไปนี่คือเราไม่สังวร มันมาจากตาไปกระทบรูปนั่นในขณะที่กระทบปั๊บเกิดวิญญาณเกิดภัทธะในขณะเดียวกันผลต่อมาคือความยินดีพอใจความยินร้ายไม่พอใจเกิดขึ้นจากเป็นที่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ถูกกับจิตกับจิต ก, กับใจกับนิสัยของเราเล็มันพร้อมที่แสดงมาได้ทุกระยะจะเป็นวิญญาณหกจะเป็นภัทธะทั้งหก ตาไปเห็นรูปเฉยมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันท่านแยกมรรคเฉยเรียกว่ารู้แจ้งทางตาหรือสัมผัสทางตาเกิดสัมผัสแล้วเหตุนนะั้นมันถึงถึงมีงวินาฏตามขึ้นมาอันนี้คือเกณฑมของการกระทบกิเลสมันพร้อมที่จะเกิดถ้าหากเราขาดสติสัมรวมทีนี้ท่านท่านพูดถึงกิริยาของกิเลสที่มันจะพึงแสดงออกในหัวใจของเรา มันมีมากนายมหาศารท่านยกธรรมสิบบทมาบทละหกหกสิบเป็นหกสิบหกสิบรูหกสิบช่องรูพุ่มไปหมดเลยแหละพร้อมที่จะดึงกิเลสให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยเช่นอย่างวิญญาณหกเนี่ยกิเลสก็พร้อมที่จะเกิดจักขูวิญญาณโสตะวิญญาณคณะวิญญาณสีหามวิญญาณกายาวิญญาณละไลไปมันเป็นกิริยาที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาไล่ให้พวกเราฟังทั้งหมดเลยนะ พัฒนาทั้งหกก็เช่นเดียวกันเวทนาเวทนาทั้งหกคาว่าเวทนาหกคือเวทนาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการกระทบนะกระทบรูปกระทบเสียงกระทบกลิ่นกระทบรสแต่เวลาการเกิดเวทนามันจะมีแค่ยินดียินร้ายและก็เฉยเฉยยินดีสุขเขเวทนาทุกเขเวทนาทุกเขมาสุขเเวทนายินดีกับยินร้ายยินดีก็คือสุขเวทนายินร้ายคือทุกเขเวทนา มันพร้อมที่จะเปลี่ยนให้ใหทําให้จิตของเราหันเหไปอย่างอื่นได้ทั้งหมดแล้วก็เฉยเฉยเฉยเฉยมันตัดสินใจลงอย่างไม่ได้ว่าจะเอียงซ้ายเรี้ยวขวาจะเป็นเหตุยินดีหรือจะเป็นเหตุยินร้ายอย่างครึ่งคงกลางกอยู่ที่เรียกว่าอตุคมาสุกอัตุคมาสุกแต่มันจะไม่อยู่เท่าเดิมเดี๋ยวมันเอียงซ้ายเดี๋ยวมันก็เอียงขวาแต่กิริยาต้องของมันมันเกิดมีอยู่ แค่กิริยาที่จะพึงเอียงซ้ายหรือจะพึงเอียงขวากิเลสมันก็เกาะได้คือตัณหามันเกาะได้เวธนาหกสัญญาหกสัญเจตนาหกสัญญาหกสัญเจ ต, ตนาหกตัณหาหกวิตกหกวิจารหกอ น, นี้ทัานไปหาดูในมหาสี่ประธานท่านถูกไวละเอียดมากธรรมะสิบหมวดนี้ มีอยายตนะภายในหกภายนอกหกวิญญาณหกผัสสะหกสะหกเวทนาหกอันนี้เป็นเรื่องภายในกระทบลงไปเป็นธรรมารมบ้างอนอกนั้นล้วนแต่เครื่องแสดงถึงธรรมารมทั้งหมดเช่นอย่างสัญญาหกสัญญาก็คือธรรมารมที่เกิดขึ้นในใจความจำได้จากตาไปเห็น ห, หูได้ยินเสียงจมูกดองกลิน่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัส อันนี้เป็นกิริยาของธรรมที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจของเราอสัญญาสัญญาความจําได้ความหมายรู้เวลามันเกิดเป็นกิเลสเนี่ยมันเพิ่เดียวมันมาพร้อมกันหมดสัญญาหกสัญเจตนาหกคือคิดถึงเฉยๆท่านก็ถือว่าเป็นสัญเจตนามันเป็นกิริยาของจิตเฉยๆที่กิเลสมันจะพึงแท้ขึ้นมาจากการที่เราคิดถึงแล้วก็ตัณหาคือความอยากอยากได้อนี้อยากได้อ น, นี้อยากได้อันนี้อยากได้อ น, นี้ พูดถึงกิริยาตรงๆของมันจากการที่จิตอยากได้อืมจะเป็นสิ่งดีสิ่งไม่ดีก็ตามาแต่ว่าจะอยากได้ก็คือตัณหาตัณหาหกจากนั้นแล้วก็วิตกหกวิจารณหกรวมเป็นธรรมะสิบหมวดคำว่ า, าวิตกกับวิจารณ์เนี่ยวิตกก็คือกิริยาของจิตอย่างหนึ่งตึกลึกคิดอยู่ในจิตของเราเนี่ยนึกเรื่องรักนึกเรื่องชังตึกเร่องรักหรือเรื่องชังตึกขึ้นมาแล้วก็ประคอง เพราะมันตามอ้อยอิงตามคลอเคลียที่เรียกว่าวิจารนวิจารณ์วิต ก, กวิญาณธรรมะทั้งสิบหมวดนี้เป็นช่องเป็นรูสําหรับกิเลสเกิดขึ้นอืมทีนี้เราจะสํารวมยังไงในเมื่อมันมีช่องมีรูมากมายเยอะแยะจะเอาอะไรมาสํารวมสํารวมตรงไหนสํารวมมาที่ใจดวงเดียวอย่างอื่นก็หมดสภาพไปเลย อย่าลืมว่าใจดวงเดียวแสดงโลกนี้ปรากฏกับเราอย่างอื่นเป็นกิริยาอาการที่จะเพิ่งเกิดขึ้นตามปฏิกิริยาที่จิต ด, ดวงนั้นไปไปสัมผัสไปเกี่ยวข้องกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยายตนะภายในตาหูจมูกเลี้ยงกายใจที่มันติดพร้อมมากับตัวของเราเนี่ยแหละสิ่งอื่นที่เป็นอสิ่งอื่นที่เป็นวิสัยคือรวิสัยของมัน อย่างรูปเป็นวิสัยของตาเสียงเป็นวิสัยของหูตาเอาตามาฟังเสียงแทนหูก็ไม่ได้เอาไปดมกลิ่นแทนจมูกก็ไม่ได้เนี่ยมันเป็นวิสัยของไข่ของไข่ของมันมันก็แตกแยกแตกแขนงไปอย่างนี้ทั้งหมดและอันนี้ทั้งหมดก็มารวมเป็นอยู่ในใจหนึ่งเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราเพราะฉะนั้นการสํารวมสํมรวมมาที่ใจอย่างอื่นจะหยุดหมด ให้เราหายข้องวิตกกังวลกับเรื่องน้งเงนเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องอะไรอะไรสรารพัดที่เกิดขึ้นมีขึ้นในปัญหาชีวิตของเราสัมรวมมาที่ใจดวงเดียวให้มันหยุดมันอยู่มันจะอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เจรอมหาสติการเจรอมหาสติโดยเฉพาะอย่างแบบลุกผูกมั่นก็คือภาวนาให้จิตได้รับความสงบอย่าลืมว่าจิตสงบสติก็ต้องแก่กล้านะจิตถึงจะสงบได้ สามัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมในขณะที่ทำเน่ะพระภูมิท่านให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอืมเอามาบริกรรมนะไม่ใช่พุทธานุสติพุทธานุสติตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไปดูที่ระลึกถึงพุทธคุณห้าพุทธคุณเก้าธรรมคุณหกสามพคุณเก้าตามระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าระลึกถึงคุณอ่าของศีล อ่าศีาลานุสติอย่าเงี่ยจาคานุสติเทวตานุสติท้านให้ตามระลึกถึงทั้งหมดเป็นบทที่เอา ม, มาัดจิตให้จิตของเราได้รับควาสมสงบแต่ไม่ใช่เอามาบริกรรมการบริกรรมก็มีแต่กระสินเท่านะัท่านให้เอามาบริกรมกรมกสินเช่นอย่างกระสินสีเขียวเนี่ยนี่เลยกสินนี่เลยกสินนี่เลยกสินนี่กสินอามาบริกรรมเพ่งจ้องแล้วก็บริกรรม แต้หวงปู่ม่านท่านเอาพุทโธมาบริกรรมหายใจเข้ากำกับด้วยพุทหายใจออกกำกับด้วยโธ ท, ทำอยู่อย่างนั้นแหละเพื่อเป็นการเพิ่มโูลสติให้แก่กล้าเมื่อสติแก่กล้าปัญญามันก็พร้อมที่จะมาสัมัญญะเป็นตัวประกอบให้เกิดปัญญาอืมถึงขีดถึงท่านเขาก็สงบแนบแน่นมีกําลังบังชามีความรู้แนบแน่นในอยู่ในตัวของตัวเอง เดีไม่ใช่ไม่ใช่สงบเงียบเหมือนหเหมือนหลับหายไปไหนก็ไม่รู้แหละพอตื่นขึ้นมาโอ้ยเวลาล่วงไปมากมายเยอะแยะแต่จิตมีภาวะไปเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงไม่รู้จัก อ, อ, อันนั้นอันนั้นไม่ใช่สมาสมาธิสมาสัมมาธิของพระพุทธเจา้านั้นจะรู้จะรู้อยู่เฉพาะตัวตลอดสามารถเตรียมพร้อมที่จะทำงานต่อหน้าได้ตลอด งานเฉพาะหน้าคืองานพิจารณาให้เห็นของจริงของจริงคือสัจธรรมที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอืมนีของจริงของจริงที่มีอยู่ประจำกองสังขารของสังขารทุกๆกองสังขารมีของจริงประจำอยู่คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนาัตตาภาวะของทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมี ความเป็นอยู่อยู่อย่างนั้นของมันมีภาวะของกองสังขารเรื่องของกองสังขารแล้วแต่เราจะแยกตามที่ท่านแยกมากมายแต่เราทราบรวมๆเอาไว้ว่าสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ใช่หนึ่งเดียวนับตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปท่านเรียกว่ากองสังขาร เรามาดูทุกอย่างที่อยู่รอบข้างตัวเรามีอะไรที่ยืนรองเป็นตัวเดียวหนึ่งเดียวไม่มีมีแต่รวมทั้งนั้นแหละเหมือนอย่างแสงไฟเสียงที่ได้ยินเนี่ยดูมาง่ายๆตัวเราเนี่ยมันไม่ไม่มีอะไรเป็นหนึ่งเดียวแม้แต่ในตัวรูปร่างของคนเราตัวลอนจนเอาเครื่องนุ่งเครื่องห่มออกนี่มีแต่รูปข้างร่างกายของเรามันก็ไม่ใช่หนึ่งเดียว ที่เราพอจะพูดได้ชัดก็เหมือนอย่างที่ท่านพูดว่าเราประกอบไปด้วยดินน้ําลมไฟนี้มันไม่ใช่ของหนึ่งเดียวเส็แล้วท่านมาแยกแล้วย่อยละเอียดอีกอาการของมันอีกเป็นผมเป็นคนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเนี่ยมันไม่หนึ่งเดียวสิ่งที่ไม่หนึ่งเดียวนี่แหละท่านว่าเป็นกองสังขารมันรวมกันตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปเป็นกองสังขารเพิ่มชื่อว่ากองสังขารแล้วจะต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารสิ่งที่หนึ่งเดียวมีอยู่ไหมมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวมีอยู่คือพระจิตหรือจิตของพระอาหารหันต์ที่สัญชะล้างหมดแล้วเหลือแต่จิตที่ผู้รู้หนึ่งเดียวไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิน่นได้อยู่แต่จิต มันไม่ผูกพันเกี่ยวยึดเกาะกับอารมณ์เหล่านั้นที่เรียกว่าจิตของท่านไม่ไม่กำทราบเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นให้เกิดความโลภความโกรธตัณหาราคะไม่เกิดเพราะท่านทำจนถึงขีดถึงขั้นหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วจิตแบบนี้ท่านเรียกว่าจิตหนึ่งเดียวไม่มีสอง ก, อกับอารมณ์นั้นกับอารมณ์นี้ ถ้ามาเป็นสองก็คือยังคล้องยังเกี่ยวยังผูกพันยังเกาะยังติดยังพันยังเกาะให้เกิดสังโยชน์นู้นเกาะให้เกิดสังโยชน์นี้แต่ถ้าเป็นจิตหนึ่งเดียวก็คือเออ่ไม่เป็นสองกับสิ่งใดแล้วก็บาตุนี้ก็เป็นธาตุดั้งเดิมที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาตั้งแต่นานนานเท่าไหรเราก็ทราบไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเบื้องต้นไม่ปรากฏแต่ก็ด้วยเหตุที่ว่าเกิดมาแล้วไม่ไม่ได้ เป็นภาพที่ดิบเป็นวัตถุดิบยังมั น, นชะลาให้บริสุทธิ์จึงมีการออกรู้ออกเห็นจิตของเราของท่านมันออกรู้ออกเห็นยิ่งเรามาปฏบัติเป็นมนุษย์เขาก็มีตาออกเห็นรู้ตามตกเป็นสัญญาเป็นอะไรอะไรเป็นสะลอกไปทั้งหมดเลยแหละมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมันออกไปรับรู้รับเห็นออกไปรเนอ เขารู้ล่อเห็นเพราะมันมีตัวธาตุในภายในคือธาตุรู้ธาตุรู้ใจหรือจิตมันเป็นธาตุรู้แปลกนะเราโ ย, ยนมาดูที่จิตของเราเนี่ยเราก็อยู่กับจิตของเรามาตลอดตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่ามันเป็นธาตุรู้เป็นธาตุอัศจรรย์เราไม่เคยให้ความสาคัญจำเจ อ, อยอย่างงั้นแหละเราลองมาไขครควนดูเรื่องเหล่านี้แล้วเราจะเห็นความอัศจรรย์ของใจของเรา เอาใจของเราหนึ่งดวงนี่แหละไปเทียบกับก้อนหินก้อนหินรู้เรื่องไม่ได้ไม่มีความหมายในตัวเองสาคัญมั่นหมายไม่ได้นี่คือถ้ารู้ผู้รู้มีหนึ่งเดียวแต่หลักการวิชาการท่านเรียกหลักอภิธรรมจิตท่านนั้นดวงจิตท่านนั้นร้อยดวงจิตท่านนั้นดวงท่านั้นดวงท่านั้นดวงคําว่าดวงดวงในที่นั้นคืออาการของจิตทั้งนั้นไม่ใช่ตัวจิตแท้ ไม่ใช่ตัวจิตแท้เป็นอาการของจิตเพราะฉะนั้นอาการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จึงสามารถชะได้ล้างได้ให้เหลือแต่ธารู้ที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าท่าชะล้างพระจิตของพระองค์จนเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวกลายเป็นจิตพระอาหารหันต์เป็นผู้ตามชื่อนะเป็นผู้เว้นไกลจากกิเลศเพราะมันสําเร็จรูปอยู่อย่างนั้นแหละโดยกฎโดยเกณฑ์ของธรรมชาติที่ฝึกได้อบรมได้ ทำได้เนี่ยจิตของท่านอืมแต่จิตของพวกเรานั้นน่ะมีนุ่นมีนี่มาผสมมีนุ่นมารวมมีนี่มารวมมีนั้นมารวมไม่ใช่จิตหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเราดูที่จิตเราก็เราก็จะเห็นง่ายเราดูมาที่กายเราก็ยิง่งยิ่งเห็นได้ง่ายร่างกายเราไม่เคยนิ่งหยุดอยู่กับที่แม้ขณะจิตเดียวเนี่ยตั้งแต่เราลืม ตาอ้าปามาตั้งแต่ช้าจิตของเราไม่เคยนิ่งอยู่กับที่แม้ขณะจิตเดียวมันทํางานอยู่ในภายในเป็นละลอกเป็นละลอกเป็นละลอนมันขับมันย่อยมันนุ่นมันนี้มันอายจําเรื่องของมันมันไม่นิ่งไม่หยุดอยู่กับที่การไม่นิ่งหยุดอยู่กับที่นั่นแหละเป็นทุกขังวิญยาทรงตรัสมันเปลี่ยนไปเป็นเป็นอนิจจังและมันเป็นกฎเกณฑ์ของมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่มีใครไปเสกสรรปั้นแต่งให้มัน มันมีปฏิจจมอยู่ตามกองวัตถุทั้งหลายทั้งปวงนี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเราดูให้เห็นง่ายๆชัดๆก็คือเราไป อ, อุบัติในท้องแม่อันนี้เราเห็นง่ายเราก็รู้รู้กันว่าเราทั้งหลายนี่เกิด อ, อุบัติในท้องแม่โบราณท่านพูดว่ามีพ่อมีแม่อ่าท่านเจริญพันธกันทําให้เกิดน้าําใสๆในท้องแม่ดินน้ําลมไฟของพ่อของแม่มาประกอบกันในท้องแม่ หลังจากประกอบกันแล้วเป็นก้อนวัตถุก้อนวัตถุเหล่านั้นไม่เคยอยู่เท่าเดิมนี่เกิดเป็นกองสังขารก่อนกองแรกเป็นก้อนแร ก, แรกหรือเป็นกองทุกหรือเป็นก้อนทุกก้อนแรกที่เราโผล่ขึ้นมาได้มาจากของพ่อกับของแม่ไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่ได้เอาเลือดสักยศไปเกิดในท้องแม่เลยนะที่ไปที่มามันเป็นอยู่อย่างนั้นก้อนสังขารก้อนนี้เกิดขึ้น เป็นกองทุกกองทุกทั้งหลายเกิดขึ้นด้วยอํานาจของตันหาเราย้อนย้อนดูเลยกองทุกนี้ไปเราไปเห็นตันหาในใจของพ่อของแม่ถ้ามันถ้าท่านไม่มีตันหาท่านไม่มีการเจริญพันธุโอกาสที่จะทําให้ดินน้ําลมไฟมาประกอบกันในท้องแม่ก็ไม่มีนี่เราพูดให้มันพันกันกันกนกบหลักหมหาสติปัฏฐานกับหลักอริยสัจสี่ มันเป็นมายอย่างงั้นตามข้อเท็จจริงอืมมันพันกันอยู่อย่างงั้นทีนี้ใจของพวกเราในขณะที่เราจะไปจับจองในท้องแม่เราจิตของเราก็มีแต่วิญญาณแ่ะเราอยู่ทั้งดุน้น ย, ยังไม่ตายเราไปจับจองไม่มีหรอกเรียนตายแล้วมีทีววิญญาณไปจับจองทําไมเร า, เราจึงต้องไปจับจองเพราะเราก็มีตัณหามีความอยากมีความอยากมีตัณหามีความอยากอ ย, กอยู่ในใจ ยังมีอภิชาครอบคลุมอยู่ยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมตัวเองก็ยังจะต้องมีที่เกิดอันนี้คือการอบัตเกิดของมนุษย์มีอยู่นี้เป็นอยู่นี้ตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เราได้ก้อนทุกข์เราจะไปอบัตเป็นกองทุกข์ในอัตภาพใดก็ตามไปเป็นสเดรชานมันก็ไปในลักษณะนี้แหละมันไปด้วยคุณสมบัติของใจใจเราไม่พอที่จะมาอบัตเป็นมนุษย์ แม้แต่เมาวออัดเป็นมนุษย์แล้วก็ตามคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปสักดิวว่าเป็นมนุษย์เสียแข้งขามีคนวิการจริตนู่นนี่อะไระอะไรสรารพัดบางทีมีรูปร่างสมบูรณ์บริบูรณ์หมดแต่ขาดสติขาดปัญญาปึ๊กบางทีก็มีปัญญาเป็นปัญญาชนบางทีเป็นอัจฉริยะบุคคลคุณสมบัติในใจของเราของท่านไม่เหมือนกันทั้งสมอบรมมาไม่ไม่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน เราไปวัดนในท้องแม่เป็นน้ำใสๆขยับมาเรื่อยเป็นน้ำแดงๆเป็นน้ำล้างเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนไม่เคยอยู่เท่าเดิมสักครั้งแม้ขณะจิตเดียจะเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เท่าเดิมไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทร ง, งตรัสว่า ท, ทุกขงังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทุกขังในหลักอริยสัจสี่ที่พูดถึงนี้ทุกขังในหลักหลักอริยสัจสี่โดยเหตุที่มันอยู่เท่าเดิมไม่ได้เนี่ย พวกเราจึงเปลี่ยนไปเป็นไข้เป็นหนาวเป็นสับเป็นไปเป็นมะเร็งเป็นปอดเมื่อก่อนนั้นเราไม่เคยเป็นแน่มันไม่อยู่เท่าเดิมมันต้องเปลี่ยนไปและโดยเห็นง่ายๆก็คือสังขารเราร่างกายของเราของท่านจเจริญเติบโตมาด้ว่ยมาเรื่อยมเมื่อที่อ ย, อยู่ในท่องแม่ก็ เ, เปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยสัปดาห์ที่สอง ส, สัปดาห์ที่สมสัปดาห์ที่เท่าไรไม่รู้ 7, 8, 9, 9, เจ็เดือนแปเดือนเก้าเดือนคลอดออกมาแต่มันมีเหตุมีปัจจัยไปส่งเสริมไปเราเลีเ้ยงกันอยู่ในนั้นตลอดนะ เราจะเห็นว่าเราอยู่ในนั้น่ะเราเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของแม่อวัยวะส่วนนี้ก็ดูเอาอาหารมาจากแม่ท่อลําเลียงสายรกสายสะดือเราดูสิไม่อยู่เท่าเดิมในนั้นทํางานทุกยักทุกเวลาเราจะว่าจิตเราเร็วกว่าอะไรกว่าในกายของเราก็เร็วทุกขณะจิตเขาไม่เคย น, นิ่งอยู่กับที่นิ่งอยู่กับที่ไม่ได้เป็นทุกข์ขัง เปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเป็นกฎเกณฑ์ของเขาเลยแหละใครบังคับบัญชายเป็นอื่นไปไม่ได้เรียกร้อยเป็นตามใจหวังของตัวเองไม่ได้ท่านจริงว่าอนัตตาอนัตตานี่คืออนัตตาที่เราดูพอเป็นเยี่ยงอย่างที่เราจะได้เจริญกรรมฐานได้อย่างสะดวกสบายนี่อนิจจังทุกขังอนัตตามันมีเกิดขึ้นมีขึ้นโดยภาวะของมันเองเราดูให้เห็นอยู่อย่างนี้แล้ว มันเป็นการมาบั่นทอนมาทำลายนะทำลายความอยากได้ทำลายความโลภเนี่ยแหละทำลายตัณหาตัณหาคือความอยากสิ่งที่ดีถูกตาต้องใจหน่อยก็อยากสิ่งที่อยากก็ต้องเสาะแสวงหาเอามาเอามาเอามาแล้วก็มาหึงมาห่วงนี่ทุกตามาอีกเหมือนกับเราได้อาตภาพร่างกายมาเราก็หึงก็ห่วงเนี่ยนี่คือความโลภ สิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ชอบพอใจไม่ชอบใจเดี๋ยวนี้พอใจชอบใจอยู่ไปสักพักหนึ่งก็ไม่พอใจเตะ ท, ทิ้งอะไรต่ออะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามนั้นอ่ะไม่ชอบใจไม่พอใจก็ผลักทิ้งออกไปดึงเข้ามาเป็นความโลภเป็นกิเลสกองหนึ่งผลักออกไปเป็นความโกรธเป็นกิเลสกองหนึ่งนี่ที่เกิดของกิเลสสิ่งอ่านี้เกิดขึ้นในหัวใจของเราเศร้าหมองใจเราเศร้าหมองเราไม่รู้จักถ้าไม่ศึกษาเรื่องธรรมะเราจะไม่รู้จักว่า กิเลีคความเศร้าหมองเป็นยังไงความโลภเกิดขึ้นในหัวใจเราก็ต้องการสนองความโกรธเกิดขึ้นในหัวใจของเราเราก็ต้องการสนองปัญหาราคาเกิดขึ้นในหัวใจของเราเราก็ต้องการสนองเพราะเราไม่รู้เท่าทันมันธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สามารถให้เราเจริญตามแล้วหยุดชะงักงินได้ด้วยการตั้งจิตของเราให้ได้รับความสงบ มีสติกำกับควบคุมแนบแน่นมั่นคงในขณะที่เราเจริญสติเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของตัวตื่นรู้อยู่เฉพาะตัวอยู่เนี่ยมีสิ่งปรากฏทางตาสักแต่ว่าปรากฏเฉยๆนะลองทดสอบดูก็ได้เห็นแล้วมีความอยากมีความต้องการนั่นตัณหาปรากฏในขณะนั้นเราก็ย้ำลงไปอีกว่าดูยังไงเห็นยังไงตัณหามันไม่เกิด เรพยายามเจอสติมันเห็นจากที่เราเห็นมันรู้ว่าเห็นไอ้ผู้รู้ตัวนี้มันจะมาตัดเลยนะรู้ว่าเห็นมันเป็นการปลุกพณะจิตของเราให้ให้รุนแรงเพิ่มขึ้นอีกจนไอ้ความอยากมันเกิดไม่ได้รู้ว่าเห็นอความโลภไม่เกิดรู้ว่าเห็นความโกรธไม่เกิด แต่รู้ดูรู้อยู่ว่ดีไม่ดีรู้อยู่แต่มันเป็นโดยอัตโนมัติของมันอันนี้คือบทพิสูจนที่เรามาเล่าสู่กันฟังพอที่จะไปพิสูจนได้ธรรมะพื้นพื้นจะเอาสิ่งที่เป็นละเอียดลึกเป็นระดับขั้นปัญญาปัญญายานมาพูดพวกเราก็ฟังยากเข้าใจายากแต่พวกเราชอบฟังชอบฟังธรรมะที่เป็นส่วนผลที่ครูบาอาจารย์ท่านเอามาเล่าฟัง บางครั้งท่านทํามาทั้งปีทั้งชาติตั้งแต่ตลอดอายุไขของท่านก็เป็นได้แล้วก็เอาส่วนที่ท่านได้มามาเล่าให้เราฟังนิดหน่อยเราก็ชอบเราก็ต้องการแต่เราฟังแล้วเราก็เหลือวิสัยของเราเราไม่สามารถจะทําได้แต่ถ้าหาเราทราบบทฝึกหกัดฝึกฝึกซ้อมที่เราจะทําเป็นไปได้อันนี้มันเกิดประโยชน์สําหรับที่เราจะเอาไปทําตามได้ท่านอีาให้ตั้งเนื้อตั้งตัวให้เจริญสติ สติก็คือระลึกได้ตื่นตัวโโรอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ในหัวใจของเราแล้วก็สัมผัสฉันจะรู้ตัวตาเห็นรู้ตัวเห็นหูได้ยินรู้ตัววัดได้ยินไอสติตัวเนี้ยมันจะโผล่ขึ้นมามันเป็นมันเป็นกระแสที่รุนแรงแล้วก็ไปตัดกระแสนั้นซะกระแสนั้นเกิดไม่ได้มันเกิดขึ้นจากการสลับเปลี่ยนกระแสความรู้สึกภายในใจของเรา เพราะเหตุที่อย่างครูบาอาจารย์ท่านให้เราบริกรรมพุโทโธด้วยแล้วเนี่ยพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธทําความรู้สึกพร้อมอยู่กับพุโทโธไม่เปลี่ยนอารมณ์ของกิเลสตัณหา ม, มันก็แทรกไม่ได้ตราบใดที่ตัวนี้อ่อนแรงลงไปตัณหาถึงจะแทรกเข้ามาได้จะลืมว่าตัณหาแทรกเข้ามาคือกิเลสมเกิด ข, ขึ้นเลยนะเมื่อตัณหาแทรกเข้ามากับงานใดกับเครื่องใดกับวัตถุใดก็ตาม อุปาทานมันก็ตามมาพบมันก็ตามมาชาติมันก็ตามมาคือเราจะต้องไปคิดไปขวนขวายไปสร้างไปทําไปเอามาจนได้เพราะฉะนั้นเราสังส่งสมคุณงามความดีคุณสมบัติภายในใจของเรามากน้อยเท่าไหร่ก็ตามอืมตายแล้วคุณสมบัติภายในใจของเรานี่แหละตามที่เราเคยยึดเคยถือเคยนุ่งเคยนี่มีนิสัยใจขอบมาคนยึดมาในธรรมมาตลอดมีจิตใจเป็นศิลเป็นธรรมมาตลอด นี่คือแรงอุปาทานอุปาทานส่วนนี้ก็ส่งเราไปในทางที่ดีถ้าเป็นแรงอุปาทานในทางในทางที่ไม่ดีอันเกิดขึ้นจากตาเราหูจมูกเล่นกายใจของเราไปสัมผัสอแล้วเราก็ชอบสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีสะสมในสิ่งที่ไม่ดีอุปาทานที่เราจะพึงได้รับเพื่อที่จะข้ามภพข้ามชาติไปมันก็ส่งอุปาทานในทางที่ไม่ดีไปท่านยิงว่าวิบากกรรมวิบากกรรมจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด ผลของการกระทาทาดีก็ได้ดีวิบากกรรมของเราอุปาทานมันก็ไปทางวิบากกรรมในทางที่ดี ว, ว, ว, วิบากกรรมในทางที่ไม่ดีอุปาทานมันก็พาเราไปในทางที่ไม่ดีไม่พอจะมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็ไปเป็นสัตว์เดริรชานต่ำสามลงไปอีกเป็นสัตว์เปรตนรกอสุรกายแล้วแต่มันจะเปลี่ยนไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไวา้ เราดูพื้นเพจรจิตนิสัยในจิตในใจของเราของท่านอ่ะมันจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปดีไปเลวไปประนีตไปลามไปอะไ ร, ะไ ร, รต่ะรสรพัดจิตนะถ้าเราจะปล่อยให้นึกคิดถ้าหากเราทิ้งหลักของศีลของธรรมไม่อยู่ในกรอบในวงจำกัดที่พระญาณ่านสงฆ์จำกัดให้กับเราเนี่ยมันนึกคิดได้อย่างอิสระเสรีไม่มีผนดแดวนขอบเขตใจของเราของท่าน เพราะฉะนั้นเราคิดได้เลยว่าคนที่ไม่มีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของของเขาเนี่ยไม่มีอยู่ในกรอบของอะไรทั้งนั้นอ่ะไปแบบล่องลอยไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีอะไรเลยเป็นเหตุเหตุหนึ่งให้ให้มนุษยชาติของเรามีศาสนาเป็นเครื่องระลึกบางคนเขาพูดได้ว่าเขาไม่ต้องถือศาสนาอะไรไม่ต้องถือศาสนาอะไร เขาว่าเขามีปัญญาดีเขาต้องการอะไรก็ทําทได้หมดต้องการอะไรก็ทําทได้หมดต้องการอะไรทําทได้หมดแต่อย่าลืมว่าศาสนานี้ยชี้ไปสู่ความดับทุกข์พ้นทุกข์โดยเฉพาะอย่างพระศาสนาพุทธของเราเนี่ยอให้เราตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติได้ขั้นไหนรนดับไหนก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราอย่างน้อยๆศีลต้องเป็นภาคเป็นพื้นศีลเป็นผ้าเป็นพื้นศีลห้าอย่างเงี้ยไม่ใช่เล็กๆล้อยล่ะไม่ใช่เรืเล็กน้อย อ่าหัวใจของการสมาทานศินห้าต้องไปถือตามต้องไปละไปงดไปเว้นตามนั้นนะสมาทานเฉยๆไม่ได้สัตว์ควรจะตายเพราะเราไม่ตายนี่เสดงว่าศินมั่นอยู่ในใจของเราของคนอื่นควรจะหยิบจะยกจะชกจะฉวยจะอะไรแต่ละคนจะหายเพราะเราไม่เอาไม่ถามเพราะเรามีศินสามีภรรยาของใครก็ตามไม่ล่วงละเมิดไม่เกี่ยวข้องไม่ผูกพันนี่เพราะเรารักษาศิน ถ้าเรารักษาไม่ได้เป็นไงมันก็สร้างเวรสร้างพัยอยู่ร่ำไปฆ่าสัตว์เราฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราอย่าลืมว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่พวกหมูเห็ดเป็ดไก่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะเราฆ่าเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะตายเขาพยาบามกระสาบเช่ยงเราน่ะวิบากกรรมกรรมทั้งหลายก็ต้องิดของเป็นของเราเพราะเราสารา้างกระทําเรื่องกรรมไม่เคยตกลนหายไปไหน เรื esy, ่องกรรมวิบากกรรมกับเรื่องหลักของเหตุผลกับเรื่องหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตากับเรื่องหลักของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องพิจารณาดูให้ดีนะหลักของกรรมกับหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตากับหลักของวิบากกรรมกับหลักของเหตุของผลกับความเป็นไปของธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงท่านเอาภาวะเหล่านี้แหละ ไปพูดถึงความเกี่ยวพันกับหลักธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะไม่สับสนอืพวกเราเรามาดูพุทธิยถาส่านตัดสริรูท่านตัดสิรูเรื่องกรรมก็ถ้มยามเห็นพบชาติของพระองค์เกิดเกิดตายเกิดตายเกิดตายทำกรรมนั้นไปเกิดเป็นนี้ทำกรรมนีน้ไปเกิดเป็นนั้นโอ้ระลึกย้อนหลังไปไม่รู้จกกักจบไม่รู้จักสิน้นนี่ท่านตัดสิรูเกี่ยวเรื่องกรรม รู้เรื่องกรรมยามถ้ำกลางหรือราตรีกลางกลางกลางคืนน่ะรู้การเกิดการตายของสัตว์เกี่ยวกับเรื่องกรรมเรืเ่รองวิบากกรรมอ๋อสัตว์นั้น่ะทํากรรมนั้นมาเกิดเปน็นนี้ทำกรรมนี้ไปเกิดเป็นนั้นทํากรรมหยาบอย่างนั้นไปเกิดเป็นอย่างนั้นทํากรกรมละเอียดขนาดนี้ไปเกิดเป็นนี้ก็จะเรื่องกรรมเรื่องกรรมเรื่องลัเหตุผลอันเดียวกัน เมื่อพระจิตของพระองค์อยู่บนหลักของเหตุผลมั่นปลายพระจิตของพระองค์ก็ไปหมุนอยู่กับหลักอริยสัจสี่เห็นไหมหลักอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากนั้นคือยอดของเหตุผลร้อยเปอร์เซ็นอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากถ้าพระองค์ไม่ได้ผ่านหลักของเหตุผลหลักอริยสัจสี่ตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ ด้วยเหตุที่ผ่านตรงนี้มันจึงมีข้อต่อสู้กันมีข้อต่อก่อนกันเน yeah. ี่ยราะว่าจัดทั้งหลายมาเกิดเกิดพบไหนชาติไหนก็ตามคือกองทุกเกิดจิตยังไม่มีธรรมจิตมีกิเลสเต็มเป้ยอยู่ในหัว ใ, ว ใ, น ใ, นใจของเราก็คือจิตตัวนั้นก็เป็นก้อนทุกข์กายก็เป็นก้อนทุกข์ทุกเหล่านี้เกิดขึ้นจากตัณหาการยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วยอุ ป, ปาทาน นี่ยเพราะฉะนั้นท่านให้กําหนดทุกข์ย้อนมาดูสมุทัยในหลักอริยา ส, าสัจสีสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้ยังไงเราเทียบไปที่พ่อแม่ท่านมีในใจท่านเป็นสมุทัยจนเป็นเหตุให้ท่านเจริญพันธ์เห็นไหมแล้วก็มีน้ํำใสๆมาเกิดในท้องแม่เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดก้อนทุกข์กองทุกข์ปัญหาเราก็ไปสแสวง ไปเสวญหาก็ไปไ ป, ไปจวบเหมาะ ก, กันมีศักดิ์ไปเกาะไปเกาะแล้วเป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์ย้อนไปดูสมุทัยทุกข์มาจากสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรียกตามคําเต็มๆว่าลุกคสมุทรโยทุกข์ก็สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นที่เราเห็นร่างกายของเราท่านทั้งหมดนี่คือก้อนทุกข์คือกองทุกข์ แต่มันมีคุณค่าเพราะว่ารมามัดเป็นมนุษย์ยสามารถมาทำประโยชน์เ mm. พิ่มพูณบุญญาบารมีและเอามาประพฤติทำปฏิบัติธรรมได้ได้ตามที่เราต้องการเหตุ mm. <H ate S 2> คือสมุทัยผล mm. ตามมาคือทุกโ mm. ดยเหตุที่พระองค์ได้หมุอนอยู่กับหลักเหตุผลอันนี้เอง mm. พระองค์จึงมาสรุปเป็นข้อปฏิบัติที่เขาเรียกว่ามักมาก มาสรุบลงนั้นหลักของศีลของสมาธิของปัญญามักเป็นเหตุเมื่อตั้งใจปฏิบัติสงบระงับดับดับตัณหาที่มันจะพึงเกิดขึ้นอดับได้เป็นนิโรธเป็นทุกข์เป็นสมุทัยเป็นนิโรธเป็นมักเนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมักมาจากอย่างนี้นะการตั้งใจปฏิบัติเพื่อสงบระงับดับตัณหา ในวงในแท้ๆก็เราพูดทิ้งหลักหมาสติประฐานไม่ได้บางครั้งเราไม่ตั้งใจให้ทําให้สับสนตั้งจิตกําหนดอยู่เติแต่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเหมือนอย่างที่พวกเราบรรพบรุษครูบาอาจ า, ารย์ฟารธรรมให้เราบริกรรมอยู่ติดกับพุโทโธเพื่อให้มันสับสนทำอยู่อย่างนั้นแหละทาไปทําไปเดี๋ยวจะมีผลปรากฏให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโธให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโธ เหตุที่วิธีการแบบนี้ทำไปแล้วจิตของเราจะได้รับความสงบถ้าทำผิดนอกเหนือจากนี้จิตจะไม่สงบทำไม่เต็มที่ทำไม่เต็มช่วงขาดช่วงไม่ต่อเนื่องจิตก็สงบไม่ได้เพราะทำไปแล้วทาไปเพราะทำไปทาไปทาไ ป, ไปมันเป็นงานที่เราทำทั้งทั้งด้านจิตใจมันเหมือนกับเราบริโภคอาหารให้กับใจเราของธรรมนี้เป็นอาหารของใจ บริการพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเข้าไปเรื่อยๆมันก็อิ่มได้เป็นได้เหมือนกันอิ่มกับงานที่เราทำนี่แหละ้องทาให้เห็นเราจะรู้สึกว่ามันอิ่มจากการที่เราตั้งใจบริการนะอิ่มเพราะอิ่มแล้วเขาก็ไม่บริโภคคือไม่ต้องว่าพุโทโธจิตไม่ไปไหนเมื่อก่อนนั้นเราเอามาผูกสติให้จิตของเราอยู่สติกับพุโทโธกับใจ เป็นอันเดียวกันเป็ น, อ, นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ต้องทำจนเต็มที่ถึงขีดถึงขั้นจิตถึงจะเป็นได้นะทิ้งคำบริกรรมแล้วเขาก็<ๆ>ไม่ไปไหนเพราะเขาอิ่มที่เรียกว่าปีติปีติคือความอิ่มนี่แหละคืออิ่มอารมณ์ที่จิตของเราชอบโดดดิ้นไปนู้นไปนี้เพราะจิตมันหิวหิวอารมณ์หิวอารมณ์เราใช้คำเหมือนเราหิวข้าวเป็นเหตุให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น จิตหิวอารมณ์จิตออกรู้อารมณ์ออกเห็นอารมณ์แต่มันนึกคิดเลยเปลยเรื่องรอยไปท่านจึงจํากัดคําที่เป็นทําให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ได้เป็นนึกเรื่องรักเรื่องชังเรื่องเกลเรื่องเกลเรื่องอะไรอะไรหละนึกเรื่องธรรมนึกเรื่องบทธรรมนึกเรื่องบทธรรมมันไม่ใช่นึกเรื่องของกามวัตถุกามนึเรื่องบทธรรมเพราะฉะนั้นทําไปแล้วทำแล้วจิตมันอิ่มนี่เป็นอาหารวองใจนะ จิตอิอ่มเราไม่บริกรรมจิตก็ไม่ไปไม่กำหนดลมจิตก็อยู่มันอยู่มันเกาะอยู่กับปีติคือความอิม่มพอมันอิ่มปีติมันวางปีติมันก็มาเกาะกับความสุขเพราะยอดของปีติมันมีความสุขตามมาอยู่ในนั้นเกาะความสุขความสุขเป็นยังไงอยู่ในใจของเราเวลาเราทำถึงแล้วเราลองย่อนจิตของเราไปเกาะลองดูเกาะอยู่กับความสุข เก็ไปกา ไ, ไปก็อิ่มความสุขเหมือนกันจิตก็ปล่อยความสุขเพราะความสุขก็เป็นแค่อารมณ์เป็นสองไปจากจิตเท่านั้นเองความสุขความทุกข์เนี่เป็นอารมณ์เป็นสองไปจากจิตนะไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตคนละอันนะพิจารณาดูให้ดีนะถ้าเราไม่พิจารณาแล้วเราเห็นเป็นอันเดียวกันจิตความสุขเป็นอารมณ์ที่จิตรู้ได้ เนี่ยพุีธเจ้าท่านให้ถึงให้จดเวทนาโนปศสนาเวทนาโนปศสนาก็คือเจริญสุขเจริญทุกข์ตามกนดรู้ทุกข์ตามกนทุกข์สุขสุขอ้างเวรนางเวทียมานอสุขข้างเวรนางเวทิยามิติปิจานติรู้รู้รู้ ร, รู้ในบทท่านท่านให้ว่าบทนี้แหละเป็นแบบฉบับให้เราเอามาฝึกหัดฝึกซ้อม ดุขั้งเวเดนางเวทยามโนดุขั้งเวเดนางเวทยามิติปิจนาติทุกข์ก็รู้เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของความรู้ของผูมรู้ของสติของเรานะะเห็นความอัศจรรย์ของการมีสติภายในใจของเราตราบใด้ซ่สติของเราโล่ยันหัวใจของเราจิตของเราแค่ตื่นรู้พร้อมอยู่ในนี้แหละดึงตัวเดียวจิตของเราอยู่ได้เลยอืมเนี่ยจิต จิตสัจจะว่าเป็นธาตุรู้แต่ต้องอาศัยปลุกตัวเองให้ตื่นตลอดกิริยาอาการของจิตทั้งนั้นแหละสติธรรมสัมผัสัญญาธรรมปัญญาสมาธิอะไรเป็นกิริยาของจิตเป็นอาการของจิตทั้งนั้นเป็นอาการของผู้รู้เป็นกิริยาอาการของผู้รู้สรารพัดมากมายมหาศาลเกี่ยวกับกิรยิรย า, าการของผู้รู้แต่พระพุทธเจ้าท่านแยกออกมาถึงรู้ถึงช่องที่ตัณหา ม, มันจะพึงแทรกเข้ามา ที่ที่บายให้ฟังนั่นแหละท่านให้เจริญอยู่อย่างนี้จิตเราได้รับความสงบสงบก็ไปสงบอิ่มอยู่นั่นแหละทิ้งความสงบก็รู้อยู่เฉพาะตนอยู่นั้นอะ่ะอืมแล้วแต่จะมากจะน้อยจะนานจะช้าเท่าไร่แล้วแต่นิสัยของคนค น, คนนั้นอย่างรับฟังครูบาอาจารย์ท่านภาวนาะท่านก็สงบเป็นเท่านั้นชั่วโมงเป็นเท่านี้ชั่วโมงมาที่เขสงบเป็นคืนๆท่านก็ทําอย่างนี้ย จิตของท่านก็นทำไปแล้วทา่านก็ลงไปอยู่อย่างนี้จิตสงบจิตสงบจิตไม่โหยไม่หิวเกี่ยวกับเรื่องสัญญาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อจิตมันมีกําลังไม่หิวไม่โหยเหมือนมันมีกําลังมีพลังเพียงพอท่านจึงให้เรามาพิจารณายกอนุ่นขึ้นสู่กรรมฐานยกอัน น, นี้ขึ้นสู่กรรมฐานยกอนุ่นขึ้นสู่ใจลักยกอัน น, นี้ขึ้นสู่ใจลั ก, ก, นนลกเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงของมันด้วยปัญญาด้วยปัญญายา จริงนี้จะเกิดเพื่ยจะเกิดขึ้นขึ้นโดยพลังของสมาธิของปัญญาจากภูมิรู้จนจะสําเร็จตกพลึกเป็นปัญญายานปัญญายานนี้คือตัดสินใจแล้ว ถ, ถ, นนถึงขีดถึงขั้นขั้นใดขั้นหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งถึงขีดถึงขั้นถึงปัญญาปัญญาญานถ้าเป็นเราเรียกว่าวิปัสนาก็ ค, คือวิปัสสนาญาญญาญอย่างนั้นญาญอย่างนี้พวกเราก็ารู้กันมากมายญาญเนี่ย อย่างนีความอย่างรู้ความกาหนดรู้ยานบางหลางย า, ยานบางหลางก็บางอย่างก็ยังเป็นโลกียานบางอย่างก็เป็นโลกุตระและแต่เราจะทำไปนี่คือการเข้าไปรู้ทั่วถึงธรรมเมื่อจิตเราสงบอยู่ยนั้นวันไหนเราก็เข้าไปสงบอยู่แต่อย่างนั้นวันไหนเราก็ไปสงบอยู่แต่อย่างนั้นเราไม่ได้ไปคลี่คลายทำงานเราก็ไม่ได้งานถ้าเป็นลูปุ ม, ม่านท่านวัดติดสมาธิ ติดความสงบท่านไล่ลงตาให้ออกจากสมาธิก็ตรงนี้แหละลุงตาสงบติดใจอ้อยอิงนี่แหละนิพพานนี่แหละนิพพานนะลุงปู่มันตะกี้ไล่ออกไล่ออกไล่ออกมาลงตาก็พิจารณาเนี่ยพิจารณาเข้าในหลักของมหาสิบฐานนี่แหละจะพิจารณากายมันก็เข้าหลักมหาสิบฐานจะพิจารณาความสุขความทุกขเวทนานุปัสสน า, นานมันเป็นหลักมหาสิบฐาน แต่จะทำอะไรก็ตามมันก็ไปจากจิตตรงนี้เพราะอย่างนั้นหลวงตาสูตรของหลวงตาท่านจึงให้ดูทุกย้อนมาดูจิตดูกายดูทุกแล้ก็ย้อนมาดูจิตมันสัมพันธ์กันตลอดเดยมันไปจากจิตตัวเดียวเนี่ยทั้งกายเวทนาจิตทำเขาทำงานแต่ละครั้งเขาจะสัมพันธ์กันไปตลอดนี่คืองานที่ท่านให้ทำ กายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตคนละอันแต่ถ้ า, าเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมกายเรากายเราเวทนาความสุขกดขึ้นเราสุขเราสุขเวลามันทุกข์นั่งเจ็บนั่งปวดเราทุกเราทุกก็นั่นเดียวกันแต่ถ้าหากมาเรามาดูตามข้อเหล่านี้แล้วมันมีข้อเท็จจริงของมันกายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนา เมื่อก่อนมีกายอยู่ทําไมเวทนายังไม่เกิดนั่งไปนั่งไปนั่งไปทำไมมันเกิดจิตก็ตามรู้กายด้วยตามรู้เวทนาด้วยตามรู้กายตามรู้เวทนาและมีโอกาสย้อนเข้ามาดูจิตย้อนมาเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าถูกต้องดีงามไหมจะได้รู้ว่าเออจิตก็เป็นอยู่ส่วนหนึ่งเฉพาะจิต มันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกายแม้เรายึดกายกายเรากายเรานี่แหละเป็นที่มาของสักกายทิฏฐิท่านทำอย่างนี้อยู่ได้ท่านสามารถละตรงนี้ได้เห็นว่ากายเป็นกายจิตเป็นจิตกายกับจิตคนละ อ, อนัออนคนละส่วนที่เรียกว่าละสักกายทิฏฐิถ้าท่านไม่ทำแบบฝึกซ้อมถูกต้องมาอยู่อย่างนี้มันจะเกิดไม่ได้นี่การทาแบบฝึกหัดฝึกซ้อมเราสามารถที่ททจะทาตามได้ ถ้าท่านจะฟังแต่ผลที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังฟังจากนี้ไปยนหัวดาหัวหงอกไม่ได้ตั้งใจที่จะทำมันก็เกิดไม่ได้ถ้าเราตั้งใจทำและบุกเข้ามาตรงนี้ตรงวงในตรงนี้เท่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยตามหลักเหตุผลเนี่ยสมาธิก็จะเริ่มเป็นของเราปัญญาความรอบรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นหนใึ่งหัวใจเราก็จะเริ่มรู้เริ่มทันกิเลสมันได้ใครสร้างใครทาเพราะเราทาเอง ทำเองพอพอเพราะอะไรเพราะเราหลงความโลภเกิดขึ้นเพราะเราหลงขาดการใช้ใช้ปัญญาในขณะที่เราหลงน่ะคืออวิชชามันถูกอวิชชาครอบท่านไปพูดสรุปยอดว่าอวิชชาวิชาอาวิชาาวชาคือความไม่รู้วิชาแปลว่ารู้ในขณะที่เราเจริญตืน่นรู้อยู่นี่วิชาวิชาในขณะที่กัมันทำลายความหลงความโลภเกิดเพราะความหลง ความโกรธเกิดเพราะความหลงไม่ได้พิจานาถีท่วนดูเหตุดูปัจจัยหลไรของมันมันพันกันอยู่นี้แหละไอ้ตัวนี้แหละจึงจึงเป็นตัวเป็นตัวจักที่ที่เป็นลูกสมุนของตัญหาผาดิษพระดินผาโน้นพาหนี้ผาอะไรอะไรสารพัดแต่มันวิชีพิสารนะ์หนามันมีประเภทกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาคนละประเภทให้เราแยกแยกแยกออกอยากเป็นเงี้ย จากเป็นสสองเนี่ยเอานน่นเอานี้เอาอะไรอะไรมาแลกเป็นไปหมดอยากเป็นบางที่เงินทองกองเท่ากับภูเขาเนี่ยเอา this อะไรไปแลกเป็นนะยังไม่พอใจอยากเป็นอีกอยากมีอยากเป็นนี่เป็นภาวะตัณหาแล้วก็เบื่อสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วไม่อยากมีไม่อยากเป็นอ่าแล้วก็ สิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วก็ไม่ชอบใจไม่พอใจเช่นอย่างเราได้ร่างกายมาร่างกายต้องแก่ความเกิดชอบใจอยู่ต้องการอยู่ือลูกหลานเกิดโอ้ยินดีพอใจหาวันตัดผมไฟแต่ความแก่ความเจียบความตายไม่ต้องการขอไม่ต้องการแบบนี้ก็เป็นลักษณะของวิพภะตัญหาปฏิเสธสิ่งที่มีสิ่งที่เป็น ในภาวะที่เราต้องเผชิญในภาวะที่เราต้องได้ไม่ชอบใจไม่พอใจและมันก็ก่อความทุกข์อยู่ร่ำไปก็ยังหลงอยู่ยังไม่ดูไม่ดูให้รู้ว่ากายเป็นกายนะลูกเป็นลูกหลานเป็นหลานคนอื่นเป็นคนอื่นเราเป็นเราไม่รู้จักไม่พิจารณาไม่รู้จักไหนเมื่อม่รู้จักอะกลายเป็นเราเป็นเราเป็นของของเรา เป็นเราเป็นเราเป็นอัตตาเป็นอัตตาเป็นอัตตาคือตัวตนอนนั้ก็เพื่อเรานี่ก็เพื่อเรานัก็เพืเพ่อเรานัก็เพื่อเราท่านพูดถึงอาจารย์ของพุทธิจารยอุทกกระดาบุตลาระดาบุอรท่านว่าถ้าไม่ใช่อัตตาแล้วเอาอะไรมาสุขเวลาท่านต้องการเข้าสมบาบัติเวลาท่านต้องการความสุขท่านเข้าสมบาบัติฉะนั้นท่านก็ติดความสุขท่านเป็นหนึ่งเดียวกันกับความสุข เพราะฉะนั้นความสุขอันนี้ละเอียดลึกมากะเอียดลึกเข้าไปถึงอีกโน้สถึงสังโชดเบื้องบนนุ่นก็จะแก้ได้แท้ที่จริงเวลาพระพุทธเจ้าให้อามาปฏิบัติท่านให้อารมณพิจาณาตั้งแต่พื้นพื้นี่แหละพิจารณาสุขสุขเป็นอื่นไปจากจิตนะถ้าเราไม่พิจารณามันอันเดียวกันกับจิตก็ยึดในแต่เนี้ยยึดความสุขก็คือยึดในสมาธิยึดภูมิธรรมที่ติดอยู่นั้น่ะไม่ได้พิจารณาก็เลยติดอยู่อย่างนั้นแหละ หมดอายุไขกนุ่นไปเกิดในอรูปภพม์พระพุทธเจ้าท่านเห็นช่องออกท่านเห็นช่องออกตรงนี้ได้ท่านเห็นช่องออกตรงนี้ได้ ท, อออไดท่านรู้ว่าโอ้สุขโห้สุขเป็นสุขถอยมาที่จิตทุกเป็นทุกถอยมาที่จิตถอยมาที่จิตจนอยู่หนึ่งเดียวเฉพาะจิตนี่จนอยู่หนึ่งเดียวเฉพาะจิตมีความสุขกัขบความทุกข์น่ยสุขในรูป สสปสมาบัตสุในรูปสมาบัติความสุขของโลกีไม่มีสุขอื่นยิ่งไปกว่าในรูปปสมาบัติอรูณ์ปัสมาบัติแต่ถ้าหาท่านได้อริยธรรมสมาบัตเหล่านี้ก็เป็นมันก็เป็นเป็นโลกุตระสมาบัตเหล่านี้ก็เป็นโลกุตร ะ, ตะราบใดที่ยังไม่ได้อริยธรรมถ้ายังติดในสิ่งเหล่านั้นอยู่สิ่งนั้นก็ยังเป็นสมุทัยอยู่ เหมือนยังลมปูมันถน่าติดสมาธิคือติดติดสมาธิสมาธิเป็นสมุทัยไม่ใช่จะติดเฉพาะสมาธินะปัญญาเราก็ติดติดปัญญาปัญญาก็เป็นสมุทัยลุงตาก็เถียงเอ๊ะสมาธิเป็นสมุทัยและสมาสมาธิเดินตรงไหนสมาสมาธิไม่ใช่อย่างนี้สมาสมาธิเราสมาต้องตื่นรู้อยู่ตลอด ไม่ใช่เกาะกบดานติดอยู่อย่างนี้ที่ลุงปู่มั่นท่านว่าหลวงตาจนหลงตาท่านทําตามที่ลุงปู่มั่นท่านด่าแล้วออกพิจารณาบอกพิจารณาแล้วก็ไม่อยากพักเละก็เห็นว่ามันไม่เกิดประโยช น, น์ค้นคว้าตรงนี้ค้นคว้าอะไรค้นคว้าร่างกายนี่นแหละดูข้อเท็จจริงของมันที่กิริยาอาการของตมะมันเกิดในใจพิจารณาค้นคว้าดูอยู่นี่นในนั้นน่ะมันมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอ๋อเราจะไปตายใจอะไรกับมัน ในเมื่ออะไรมันก็มาอยู่เท่าเดิมสักอย่างอมเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปดูให้เห็นทำใจให้ได้อรู้เท่าทันกิเลสกิเลสมันจะไม่ดึงจิตของเราออกไปพัวไปพันโดยเหตุที่เรายึดมาเป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นเร า, เ, เ, ราเราคิดว่าจะเป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้อยู่ตลอดไปมันอยู่ไม่ได้การยึดอย่างนี้มันเป็นการฝืนกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ การดูให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงแล้วก็วางแล้วก็ปล่อยเห็นว่าโอ้เมื่อเที่ยงเป็นทุกข์ไม่ไม่มีใครสามารถจะไปยึดไปถือได้ไปบังคับบัญชาได้หนีทำวิธอย่างในห้องนี้เราเห็นว่าไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเราไม่ได้ทําลายห้องนี้หนีออกจากห้องนี้ไปที่อื่นตรงไหนที่ไม่เป็นไม่เป็นควณเห็นว่าจะเป็นโทษเป็นภัยท่านนีหนี เหตุที่เราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกายของเราเราจึงยึดกายยึดกายตัวเราและพอยึดกายของคนอื่นยึดสิ่ง น, นู้นยึดสิ่งนี้เมื่อมีเราก็ต้องมีของของเรา <_ letter> สิ่งของที่เราใช้สิ่งของของคนอื่นใช้อเมื่อมีเราก็มีของของเราเมื่อมันไม่มีเราดูมาให้ชัดเจนแล้วมันไม่มีเรามันไม่มีตัวยึดไม่มีตัวยึดพระศิยาพระศย์ตัวตน เห็นทุกอย่างเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั้งหมดเป็นหลักธรรมชาติทั้งหมดธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายตามภาวะของจิตที่มีกิเลสมันพาให้เราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายแต่จิตของเราสามารถถอดถอนออกมาได้ทุพยะถอดตัวถอดมาเลยถอดมาเลยถอดมาเลยถอดมาเลยถอยถอยถอยถอยถอยอใครที่ตั้งใจปฏิบัติเด็ดเดี่ยวจริงจังจนมีผลปรากฏทางด้านจิตใจ ถ้าพยายามย้อนมาดูดิย้อนย้อนย้อนย้มันดูมาดูมดันดูจนอยู่เฉพาะพรุงตัวเองอย่างอื่นมันเหมือนกับมันดับไปหมดมไม่มีอะไรมายุ่งมากวนหัวใจดวงนี้อืมมี่เราพูดธรรมามาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงใช่ไห ม, มวันนี้เราได้ทำบุญครบวงจรนะ เราก็ให้ศีลเราก็รักษาภาวนาอย่างน้อยๆเราก็นั่งพูดเรื่องภาวนาฟังการภาวนาสําคัญที่จิตสําคัญที่สติสํารวระมเรามาระวังทําไงสติเราจะเจริญภาวนาแปลว่าทําจนได้ทําจนมีสติไม่ดีก็ทําจนสติดีสมปรจัญญาไม่แน่นหนาะมันคงก็ทําจนทำประจัญญาแน่นหนาะมันคง ที่เรียกว่าภาวนาภาวนาโดยเหตุที่เรามาทำงานเกี่ยวกับเรื่องกายเรื่องจิตท่านยึงเรียกว่างานกรรมฐานงานมีจิตเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานนี่งานกรรมฐานมันอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เท่าที่เล่าให้ฟังน่นนี่อะไรอะไรพวกเรานั่งอกตั้งอกตั้งใจฟังก็เป็นเห็นให้เราได้ปัญญาบา ร, รมีก็ถือว่าเป็นการภาวนาไป สังสมสติสัมปชัญญะไปสังสมอารมณ์ญญไปเรื่อยแต่ที่สำคัญที่สุดก็ต้องต้องทำให้ต่อเนื่องทําไม่ปล่อยไม่วางสักวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าจิตของเรามันแตกต่างจากอย่างอื่นมากแตกต่างจากเมื่อก่อน mm. จิตไม่เคยมีความนึก ค, คิดเกี่ยวกับเรื่องธรรมจิตไม่เคยได้รับความสงบจิตก็จะเริ่มมีแต่ต้องผ่านการฝึกฝนอบรม สังวรต้องสำรวมต้องระวังต้องบังคับตัวเองไม่บังคับไม่ได้นะการภาวนาบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับไม่ได้เฉพาะธรรมะที่เป็นส่วนผลธรรมะที่เป็นส่วนผลท่านจะบังคับไม่ได้ให้มันเป็นเองธรรมะที่เป็นส่วนเหตุต้องบังคับการสังวรสำรวมระมัดระวังนี่แหละคือการบังคับนี่คือการบังคับถ้าท่านไม่บังคับท่านจะพยายามหาเวลามาได้ยังไงหาไม่ได้ นั่งปวดนั่งดหลังคดหลังงอหลังเราก็ต้องบังคับเรา้งเจ็บต้งปวดต้องสู้วิริยะอุสาความอดความทนเราต้องทำทำเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ขึ้นในหัวใจของเราเราสังสมไปยอยู่อย่างนี้เรื่อยๆพูกเราอยู่ท่ามกลางที่เราจะขยับเดินตามพระพุทธองค์ท่านไปได้ให้เราภาคภูมิใจไว้โอ้เรามีหมูมีคณะมีสถานที่ที่เราให้ทาน มรรครูบายจารย์มาแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลธรรมะแต่การตั้งใจทํานั้นตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันใครตั้งใจทําได้มากก็มากใครทําศักทวธรรมก็คือศักทาวานั่นแหละธรรมานุธรรมปฏิปติผลย่อมเกิดขึ้นตามเหตุทําเหตุได้มากได้น้อยเท่าไหร่ผลก็จะเจรองอกเงยได้มากน้อยเท่านั้นเอาต่อไปให้พรรับพร ตังใจรับพออนูุทิศส่นบุญไปนะมีอะไรอีกไหมหน้าฮะครับก็ถวายเจตุปัจจัยที่เป็นกันเทศบูชาธรรมหนึ่งหมื่นบาทนะครับสมสมทุกุนค่าไฟฟ้าเข้าวัดหนึ่งหมืนห้าพันหกรอสสิบาทุอ้สาธุสาธุเออสรพุทธบริษัทรลึกได้อะไรคือประโยชน์ธรรมอันนี้คือโทษพยายามหลีกพยายามเว้น ส่วนรวมกายวายใจใจจากสิ่งไม่ดีชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงนะเอาตั้งใจรับผ่อนและอุทิศสวนูรณไปใครที่ยังไม่มาใครบ ร, บรรพบุรุษของใครอุทิศไปได้อุทิศให้แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อุทิศไปลึกถึงเพื่อนลึกถึงพ่อถึงแม่ถ้ลึกถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วอืมมีโอกาสที่ได้มาร่วมอนมทนากับเรา ยะถ า, าวาริวาหาปุราปริปูเรนติสาขรังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกปะปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปมเเมวัสมิจฉุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยะถ า, ามณิโชติรโสยถ า, าสัพพิโยวิวัตชันตุสภโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิ ว, วาธนาศีลิสเนจังวุฒา ปยาโยจตารโหธรมวัฒนียุวันโนสุขังพระลังรัตนัญญาณุภาเวนะรัตนัตญาเตชสาทุกขโรขพยาเวราโสกัสตุจุปตวานการตรายาปวินาสสตุยเตชสาชยาสิทธิ์ที่นังลาพังโสธีภาขยังสุขังพลังเสริอายุจวรนโนจะโพคังวุตีเจยศวาสตวรรสาจะอายุจะชีวสิทีพระวันตุเตพระวุตุสับพระมังคลังรักขันตุสับปเทวต สัพพพุทธานุภาเวนะสธาโสถีพระวันตุเตพระวตุสัพพะมังขะหลังรักขันตุสัพปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสธาโสถีพระวันตุเตพระวตุสัพพะมังขะลังรักขันตุสัพปเทวตาสัพพสังขานาภาเวนะสธาโสถีพระวันตุเต